การทประกอบกับการปฏิบัติเราปฏิบัติธรรมเราการได้ยินได้ฟังไปประกอบเพื่อให้เกิดการสะดวกในการกระทําความเพียรจะพูดถึงการปฏิบัติลักษณะ ของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติก็เหมือนกันทุกๆคนที่ผู้ปฏิบัติมีสติกับกายก็มีเหมือนกันความหลงก็มีเหมือนกันความงงเหงาหนอนก็มีเหมือนกันอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติก็ถ้าจะเห็นก็เห็นเหมือนเหมือนกันแต่ไม่ใช่นิมิต มิตรยอาจจะเห็นไม่เหมือนกันเพราะไม่คไม่ใช่ของจริงมิตรไม่ใช่ของจริงเป็นสีเป็นเสียงเป็นรูปต่างๆนั้นไม่ใช่ของกริงไราเห็นความม่วงเลยว่าจริงแล้วความม่วงเกิดกับชีวิตของเราความหลงเขาเกิดกับชีวิตของเราความสุกความทุกข์ความรู้ความอะไรต่างๆ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 ต่อไปกับความคิด น, นั่นเรียกว่าไม่ใช่ปฏิบัติคิดที่มันไม่ได้ตั้งใจนั่นหลงไปกับความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจจนปรุงจนแตง่ง น, นั่นไม่ใช่นักปฏิบั ต, ตินักปฏิบัติต้องจัดเจนเรื่องนี้พอสมควรพอมันหลงไปกับความคิดรู้สึกตัว นั่นแหละเรียกว่าจัดเกตแล้วแม่นยำแล้วแก้ไขแล้วปฏิบัติแล้วรู้สึกตัวความหลงความรู้สึกตัวเป็นการปิดรายการของความหลงมวนเราเปิดโทรทัศน์เปิดโทรทัศน์เราต้องการจะฟังข่าว เรื่องราวต่างๆพอเขาแสดงที่ไม่ใช่ข่าวเราก็ปิด <c oughs> แล้วก็กดรีโมทปิดแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับันอื่นแล้วก็ฟังข่าวก็สำเร็จประโยชน์ก็าไปลงอยู่กับอาการต่างๆที่รายการแรกซ่อนขึ้น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 แล้วนี่เรามาเจริญสติเรามาเจริญสติเราก็ติดตามเรื่องของการมีสติไปเรื่อยๆอไปเรื่อยๆอความหลงของหน้าของตัวก็ผ่านไปเรื่อยๆผ่านความหลงเป็นความรลนะ้มันมันวิเศษไม่ใช่ของเลวนะ แต่ว่าบางคนไปยุ่งไปยากซะไปยากกับความคิดที่คริงมันเป็นของดีความหลงมันเป็นของดีเพ่อจะได้ลูกมันกกเราทำงานหกนกส้มนกแกะไขสิ่งที่มันผิดไปเห็นของที่มันผิดที่มันใช่ไม่ได้เช่น สายไฟของรถทําไมมันจึงไหมมันไม่ขึ้นเขาเขาดูไปดูไปดูไปเขาไปเห็นโอ้มันตรงนี้เขาก็แก้ตรงนั้นแก้ตรงที่มันไม่ถูกแล้วมันก็ใช้ได้อะเ น, นี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นนายช่างเรียกว่าเป็นนายช่างได้ถ้าแก้ความ เสียให้มันเกิดความดีให้มันใช่ได้เขาเรียกไม่เรียกวันนายช่างชีวิตของนักปฏิบัติต้องแก้ความหลงเป็นความรู้แก้ความผิดเป็นความรู้แก้ความถูกความทุกข์เป็นความรู้สึกตัวแก้ความโลภความโกรธความหลงเป็นความรู้สึกตัวนั่นแหละเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติถ้าจะเป็นทางก็ต้องเป็นไปแบบนี้ทางเดินของจิตใจ ทางไปสู่มากสู่ผลต้องเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เรียนอะไรต่างๆเป็นความรู้สึกตัวไปทั้งหมดแปลว่าสร้างทางเริ่มแรกอาจจะเพรหลงพลังบ้างไม่เป็นไรกัดข้องอยู่กับความหลงความคิดมันจุ่มมันติดอะไรมามันก็ขวงหน้าขวงตาคนมีโลกไปคิดแบบผู้มีโลกผู้มีหัวมีเมียก็คิดแบบคนมีหัวมีเมีย คนมีอะไรก็คิดแบบคนมีแบบนั้นแ้่คนไม่มีอาจจะคิดแบบคนไม่มีก็ได้อ่ามันหลงมันหลงได้หลายลักษณะก็ลักษณะของการเดินทางในสภาพของจิตเหมือนๆเกันอมันเหมือนเกันแต่เราเปลี่ยนเป็นความรู้นะนะหรือว่าใช้ได้ แลมันก็จะเห็นอยู่นั่นแหละแตมีความรู้ไมมีความรู้อยู่เรื่อยไปถูกต้องแล้วมีความรู้อยู่เรื่อยไปประกอบความรู้สตัวอยู่เรื่อยๆไปรู้รู้ซื่อๆอย่าไปรู้แบบหาอย่าไปรู้แบบระมัดระวังจนเกินไปรู้ก็ใช้ได้แล้วบางทีรู้ที่กายเพื่อนไว้มันนานเกินไป วางลงตั้งต้นใหม่แบบอื่นหายใจเพิตาสลับฉากนอกระบบนอกรูปแบบไปก็ได้ใ ห, ให้ให้ประสบการณ์หลายหลายอย่างการปารบความเพยีพยรมันมีลักษณะที่มันจำเจบางทีก็เคล็ดลบับในภาคปฏิบัติที่มันเป็นรีบทเดียว เาก็ลุกเตงโกลมหรือํำหนดเก็บไม่ปวดเช็ดกติเช็ดหน้าต่างก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่มากต้องใช้ให้มันแม่นยำาก็จะทำอย่างอื่นไม่ใช่หลงไปกับความคิดที่จะไปทำโน่นที่จะไปทำนี่ให้ความคิดสั่งงานสั่งการตะพึดตะพืไม่เอา ก็าจะทำสิ่งใดแล้วก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ใช่ความคิดหอบผิวให้ทำให้หยุดให้ข ย, ยันให้ขี้เกียดไม่เอาต้องมีสติสัมปชัญญะให้คุ้นเคยสร้างสติไปกับกายให้มันให้กายคุ้นเคยกับ ส, บสติให้สติคุ้นเคยกับกาย มีสติเวลาที่มันหลงมันคิดให้สติมันไปแก้กความหลงความผิดความถูกให้เป็นแี่แรกก็หัดถ้าเราหัดไปหัดปไปมันก็เป็นไปเองเป็นไปได้เป็นไปได้สติมันก็โชว์อยู่ทุกโกรกาสไม่ไม่หลบนะแต่ถ้าเราไม่หัดหลบ หลบได้มันครอบงำได้มันไม่มีพลังเมื่อมันไม่มีพลังมันหลบได้เมือนหน้ามั น, น, มนพลังมันไม่มีเช่นเราลดต้นไม้เราไปบีบสายยางมันก็หลบหายไปเลยหน้มามันน้อย <c oughs> ไม่มีพลังแต่หน้ามีพลังพอบีบสายยางมันก็มันก็ไปแรงเรียกว่า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 เมื่อโกรธนงเนี่ยมันก็ไม่โกรธตกื่อรักน้าหนี่มันก็ไม่มรักตกมันเมื่อรักจริงๆนะมันก็ไม่ไป <c oughs> น้อโกรธนะเขาพูดจะนี่มันก็ไม่ไปหรอกเพราะว่าหลังของความรู้สึกตัวมันถูกต้องแล้วเป็นธรรมแล้วเกี่ยวกับกายกับจิตใจของเราอะไม่ใช่ว่าเราจะต้องสร้างออกเรี่ยวออกแรงอยู่ตลอดไปไม่ใช่ไม่ต้องออกเรี่ยวออกแรงถ้ามันเป็นแล้ว ดำเนินไปเองเอียงไปเองไหลไปเองลุกลึกไปเองเหมือนฝังทะเลลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆเอียงลงไปเรื่อยๆสูมากสู่ผลไปเรื่อยๆง่ายที่จะไม่หลงปลอมไม่หลงนะั่นมันสะดวกกว่าความหลงแต่เราฝึกไปใหม่เนี่ยปลอมหลงมันสะดวกกว่าความรู้นะแต่พอทําไปทําไปเนะี่ย ววความไม่หลงเ่ยสะดวกกวาความหลงง่ายที่จะรู้อะไรก็ตามถ้าจาเป็นจาเป็นนะความรู้ต้องช่วยเราถ้าจาเป็นจาเป็นที่มอนจะหลงที่มันจะครอบอะไรครอบความย่ายี่อยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์แบบใดแบบหนึ่งความหลงความรู้สึกตัวมันจะช่วยเราจะช่วยเรา มันไม่ใช่จะต้องไปสร้างไปหลบนะไม่ได้หลบเราทาเป็นแล้วมันเป็นเป็นแล้วมันเป็นแล้วไม่เสื่อมเป็นอกุ ป, ปรธรรมเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมแต่บางทีถ้ามันเป็นกุ ป, ปรธรรมมันก็เสื่อมได้เสียอารมณ์เสียบางคนพอไปเจอสิ่งแวดล้อมไม่ดี <c oughs> ก็เกิดอารมณ์เสีย ตาไปเห็นอะไรมาหูไปได้ยินอะไรมาสิ่งแวดล่อมอะไรที่เกิดขึ้นมันก็กลายเป็นอารมณ์เสียเพราะวันเป็นกุปปธรรมเป็นธรรมที่เสื่อมเราฝึกจนมันเป็นอกุปปธรรมอกุปปธรรมอกุปปธรรมปริหานาพะโพในอภิธรรมในอภิธรรมกิจมันก็มีอยู่กับเรา <c oughs> ที่มันเสื่อมได้ เราฝึกดีๆมันไม่เสื่อมมันก็เป็นแล้วชีวิตทั้งชีวิตเป็นหนึ่งแล้วรวมเป็นหนึ่งแล้วใช่ไหมชีวิตเราก็ดําเดินไปโดยที่ไม่ต้องมีกรรมไม่ต้องมีการกระทําอะไรบางทมันก็สิ้นกรรมจริงๆสิ้นอะไรสิ้นกรรมสิ้นความหลง อันสิ้นกรรมคือสิ้นความหลงนะสิ้นความทุกข์นั่นแหละสิ้นความโกรธนั่นแหละสิ้นเวรสิ้นกรรมก็สิ้นแบบนี้นถึงที่จุดหมายไปทางความรู้สึกตัวดำเนินไปเองนี่วิธีเราปฏิบัติมันทำได้เป็นกบเป็นกรรมอยากลู ก, ก็ทาเอาอยากหลงก็ทาเอา อยากทุกข์ก็ทำเอาอยากสุขก็ทาเอาความสุขความทุกข์มันเป็นสลับฉาบหน้ามือเป็นหลังมือถ้าเรามาสร้างความรู้สึกตัวมันเรียบไม่ความสุขความทุกข์มันมันเรียบไปหมดเลยความสุขความทุกข์มันเป็นคลื่นเราจะว่าแล้วคารู้สึกตัวมันเรียบทำให้ความสุขทาให้ความทุกข์เนเรียบลง ลองพื้นเกี่งความรู้สึกตัวไปเลยความสุขความทุกข์เป็นเป็นอัดแน่นเหมือนกับมิตรภาพแหละมันก็ถนนลองพื้นไปเลยแล้วก็เดินอยู่บนความเรียบไปเลยสติไปอย่างนั้นนะสติต้องเดินอยู่บนความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงทําให้เรียบลงนะ แปลว่าชีวิตที่เรียบชีวิตแต่มิตรภาพมาตรฐานทางมาตรฐานชีวิตมาตรฐานเขาทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเรียบลงไม่ใช่อย่างอื่นนะไม่ใช่วิเศษวิโส อ, อยู่โยงคงพันพิเนหานอะไรต่างๆเล่าลื อ, ด, องงดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หลวงพ่อนี่ศักดิ์สิทธิ์นะหลวงพ่อนี่มี อเมตตาไม่เมตตานิยมไม่มหานิยมไปเอาดีคนก็หลงอย่างนั้นหลงความดีของศาสนาความดีของศาสนาคือทําให้ความโลภความโกรธความห ล, ลงเรียบลรงความสุขความทุกข์เรียบลงเป็นจุดหมายปลายทางอไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปตู่แบบอื่น แต่นี่ก็ถูกตู่กันมากนะถูกตู่กันมากอ่เป็นพระเป็นเจ้าอะ ไ, ไรต่างๆตู่กันไปคนละทิศละทางไปเข้าใจผิดๆไปแ้า จ, จมก็เชื่อแบบไปทางโน้นสักเค้โกไปแพ่อนที่จะเอามาคุณธรรมมาเป็นสมบัติของเรา ควาลยความโลภความโกรธความหลงหาหมดไปเพราะเราทำอย่างนี้ทาอย่างนี้ศึกษาอย่างนี้จี่เรียกว่าพุทธศาสนาเป็นพุทธอันนี้นะปฏิบัติทรรมแล้วก็เอาไปทาดูเป็นอย่างนี้เกิดศรัทธาถา้าศรัทธาแห่งความดีอาศัยความดีของคนอื่นไม่ใช่ไม่ใช่ศรัทธาสัมปยุตไม่แน่วแน่ไม่ก้าวหน้า ไปหลังไปหน้าอยู่เรื่อยศรัทธาแบบนั้นพอมีการเป็นไปก็เสื่อมเรียกว่าวิกฤตแห่งศรัทธามีมาตลอดการนับถือพุทธศาสนาการนับถือสงฆ์ไทยการนับถืออะไรต่างๆไปตู่ไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งไม่มาถึงชีวิตจริงๆของของเราเอง ของตัวเราเองที่เราปฏิบัติมาแบบนี้มันเกิดอย่างนี้ไม่วิกฤตเลยไม่เสื่เป็นอมตะนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องกล้าหงองพ่อกล้าพูดเพราะพระพเจ้าทรงสอนเรื่องนี้จริงๆทํำไมเกิดพุทธะก็เกิดตรงนี้จริงๆเกิดพระสงฆ์เกิดพระธรรมก็เกิดตรงนี้ มีรันาตนไตตรงนี้พึ่งได้ตรงนี้ข้าพเจ้าพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าจึงพ้นจากทุกทุงพวงได้คือพึ่งคุณธรรมที่เราสร้างขึ้นมาที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือของเราไม่มีใครเอาให้เราเราทําอย่างนี้มันเกิดอจอากนี้มั่นใจแบบนี้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 จะพลงพลังหอบฟางมากมายหลายอย่างตัวของพราเองก็เคยหอบฟางมาแล้วไม่ชัดไม่เกณฑ์เสียเว ล, เวลาต้องมามีการกระทําให้เกิดขึ้นด้วยกายด้วยใจด้วยมือของเราเอาชีวิตของเราไปสร้างเอาสร้างความรู้สึกตัวอืมก็าจะผ่านอะไรเจ้าแย่ บนทางแห่งความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวพืให้ผ่านพาให้ผ่านปัญหาต่างๆเหมือนกับเราเดินทางการก้าวไปแต่ละก้าวมันผ่านผ่านขวกผ่านน้ําผ่านลุ่มผ่านบ่อผ่านลอนผ่านหนาวผ่านสองข้างทางการปฏิบัติธรรมก็มันแบบมันกันถ้ารู้สึกตัวมันก็ผ่านแล้ว ผ่านความหลงแล้วความหลงขวางไหนรู้สึกตัวผ่านไปอีกความทุกข์ความเบื่อความขี้เกียจขี้ขลานความลังเลสงสัยรู้สึกตัวก็ผ่านไปแล้วสิ่งเหล่านั่นพาให้เราผ่านจึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ผ่านสิ่งเหล่านี้จะสงบไปเลยมันไม่มีอะไรต้องผ่านนะเราจะไปฏิเสธอะไรทั้งหมดนั่งหลับตาังหลับไปเลยมันก็ได้อยู่ ไม่ได้ทำช่วยไม่ได้ทำดีอะไรก็หลับไปเลยเวลาออกจากภาวะที่หลับที่สงบของกูยังมีอะไรอยู่มันไม่ใช่ต้องสู้หน้ากันเถอะอย่าไปหลับอย่าไปสงบแบบก้อถีนก้นดินหลับตอแบบนั้นมันไม่ใช่ต้องมีสิ่งที่ต้องผ่านด้วยการกระทําเห็นต่อหน้าต่อตากันเนี่ยเห็นต่อหน้าต่อตาของเรา เกิดความหลงมันเกิดความปวดความเมือ่อยไม่ใช่คนหลับหลับจะไปรู้อะไรเพราะนั้นจึงไม่ต้องหลับต้องตื่นอยู่เสมอต้องนั่งต้องยืนต้องเดินนอนโชวโชวลองรู้ไม่ต้องหลับก็ได้นแล้วเหนื่อยมากมากนะเรต้องนอนลองรู้นอนแบบศพไปเลยหายใจรู้สึกตัวมากก็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 เรานี้ให้มันได้จึงจะเรียกว่าฝึกฝนมาดีจึงเรียกว่าฝึกฝนมาดีแต่ไม่ฝึกฝนมันก็แพ้นะแพ้อะไรก็ไม่แพ้เท่ากับแพ้ตัวเองแพ้ตัวเองคืออาการของกายของใจปาลชัยตรงนี้ปัญหาใจที่แพ้ตัวเองเนี่ยเรียกว่าปาัญหาขี้นะ <c oughs> ไม่ถึงมรึงถึงผลแต่แพ้ตัวเอง ถ้าไปชนะคนอื่นก็ยิ่งเร็วต้องชนะตัวเองการชนะตัวเองคือคือยอมก็ด่าเรายอมแล้วให้เขาสาในเรายอมคือชนะตัวเราไม่ใช่ตอบคำสองคำไม่ใช่ประการปฏิบัติธรรมนะมีทั้งสูงมีทั้งต่ำ มาสูงก็ลอดไปมาต่ำก็กระโดดข้ามไปมาตรงกลางก็หลบซ้ายหลบขวาลู่หลบเป็นปีกลูหลีกเป็นถังไม่ได้สู้ไม่มีอะไรถกเราเลยถ้ามาสูงก็ลอดไปเลยถ้ามาต่ำก็กระโดดข้ามไปเลยถ้ามาตรงหน้าก็หลบซ้ายหลบขวาโบราณท่านเลยว่าลูหลบเป็นปีกลู่หลีกเป็นหงังเหมือนมีนกมีปีก บินเลยการที่หลบนยมันสะดวกที่ชนกันก็ดา่าเราก็ด่าตอบเลชนกันเหมือนคนสาดน้าใส่กันก็ เ, เปียกทั้งสองทางถ้าลบเรามันก็ไม่เป็นไรอ่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ถูกกับอะไรเลยนะไม่เก็บไม่ปวดก็พวดง่ายง่ายพูดง่ายง่า ย, ด, า ย, ายดูดูเห็นนี่แหละเห็นนี่แหละ ตัวภาว่าที่เห็นนี่แหละเลยว่ารูหลบเป็นปีกรูหลีกเป็นหางมันสุขก็เห็นมันสุขนะความสุขไม่ถูกเราวันทุกข์ก็เห็นวันทุกข์เลยว่าความทุกข์ไม่ถูกเราเลยมันหลงก็เห็นความหลงนะความหลงไม่ถูกเรามันร้อนมันหนาวมันหิวมันปวดมันเมื่อยก็เห็นมันเนี่ยความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยไม่ถูกเราเลยพอภาวะเทีมันเกลี้ยงเก่าเป็นพรหมจันทไม่เปื้อนกั็ดเชียงใดนี่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 มัรลุธรรมตรงมันเจ็บมันปวดมันจะตายนะอ่มบรรลุธรรมไม่ใช่เดินอยู่บนหลอกป้ายลอยบนข้างทางไม่ใช่บรรลุธรรมต้องลยุยคมโรคความ โ, ก, ม โ, ก, มโกรธควาลงเลยนะลุยเลยความทุกข์ควา ม, วามยากลำบากอะไรต่างๆความปวดความเมื่อยไอ้ที่เจเแล้วโอ้ภาษาอะไรนะ้อ มองแบบผู้ชตตะจึงประสบการณ์จึงเป็นบทเรียนของการกระทาของเราเองเราหลงเรารลูบเวลาใดเราหลงเราลู้สักตัวมีประสบการณ์มันปวดมันเมื่อยประสบการณ์กับความปวดความเมื่อยมีส ต, ติตรงนั้นเรียกว่าเวทานานุปัฏฐนา มีสติไหมตรงที่มันสุขมันทุกมีสติไหมหรือเป็นผู้สุขผู้ทุกข์ไปเลยเป็นตนหรือกายเนี่ยร้อนคือกูหนาวคือกูปวดคือกูเหรือกูเหีิวกูเป็นยังไงคือกูหรือถ้ารู้สึกตัวมันก็ลบคาบอกกูออกไปแล้วถ้ารู้มันปวดมันเมื่อยมันสุขมันทุกข์มันก็ลบคาบอกกูไปเลย แต่วันคิดอะไรไปหลงไปกับความคิดไม่มีต้นอยู่ในความคิดไม่แต่สติเยียบไปเลยถ้าจะว่าแล้วทําให้เลียบไปเลยเลียบอยู่บนกองกายเลียบอยู่บนกองเวทนาเลียบอยู่บนอาการที่มันเกิดมันจิตมันคิ ด, คดเลียบอยู่บนสิ่งที่มาครอบงํากายครอบงําจิตเทว่าทําเลียบไปเลย ทำให้เรียบนะสติเลยทำให้เรียบทำให้สะอาดไปเลยไม่มีอะไรขางหน้าของตาต้องเป็นอย่างนั้นปฏิบัติธรรมใ้ใจไปชนนะหน้าผาขึ้นไม่ได้หน้าผาต้องทำให้เรียบเสียก่อนในกายก็เป็นหน้าผาในเวทนาก็เป็นหน้าผาใน จิตก็เป็นหน้าผาในธรรมก็เป็นหน้าผาต้องทําให้เรียบลงความเรียบลงพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วกายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาเออเรียบลงไปแล้วเวทนาก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาเออเรียบลงไปอีกอันหนึ่งจิตตานุปัสสนาจิตก็สักว่าจิตไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาเรียบลงไปแล้ว ตลอดทั้งทำเก็สักว่าทําไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาเลียบลงไปแล้วไปเห็นกองลูกก็ทำกองเหยียบกองนามาทำอ้าวพอทําไม่เลียบอยุดรอบหนึ่งโอ้มันเป็นแต่อาการทำไมต้องเรียกว่าเวทนาก็ได้เป็นอาการที่เกิดขึ้นกิดกายกับใจเลียบลงไปอซ่อมซองลงไปอซ่อมลงไปเหมือนลดเกรดรอบหน้ารอบหลังกันไปเลียบไปเลย เขาสร้างทางเมตร p h าวเขาถือแก้วน้ำแต่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้อะไรไม่ให้เฟียดภาษาภาษาบ้านหลงคอน้ำภาษากลางๆเขาว่าอะไรน้ำไม่เฟียดนะนะเฮ้ย ห, ห, <c oughs> <c oughs> หลายหมักเรียบเลยนะเขาออาให้เรียบเลยนะชีวิตของเราควรที่จะเป็นยางไนะไปกระทบกระเทือนอ่ะเฮ นี่แหละปฏิบัติธรรมทาให้เรียบยังเก่งน ะ, ะสติเนี่ยพาให้เรียบง่ายพาให้เรียบยงเก่งไม่มีคลื่นไม่มีคลื่นะจะต้องเดินอยู่บนหุกเ่ขาขวกตามทําไมชอบใจไม่ชอบใ จ, บใจขวกตามของชีวิตยินดียินไลเนน่เป็นขวกน้ําของชีวิตสุขสุทุกข์ทุกข์เป็นขวกน้ําของชีวิต ไม่ได้นี้เสียเป็นพวกตามของชีวิตอ่างเรียบเรียบมันมีอยู่เราเสียเวลาทําไมเกิดมาทั้งชาติมีเวลานาทีวินาทีชั่วโมงถึงเดินอยู่บนเรียบเรียบเราก็ทําไรเราสร้างความเรียบให้กับตัวเองปฏิบัติธรรมบางคนอยากไปน้งว่าเสียเวลาไปอยู่วัดป่าสุกโตจึงเรียกว่าปฏิบัติธรรม กลับไปบ้านก็ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ฝึกหัดทุกกรณีจะเกิดอะไรขึ้นให้มาถสถานให้มีสมถธนะอ่ามันลถจานตุ่มหาไปอ่าเะเลหมอกอุน่นแดนพมาน่าเนะพอจะขึ้นเอ่อขึ้นเนินสูงเราต้องเอาเกลียเกลี่ยอะไรเกลียเกลีย เขาเกลียวเลยเอขาไม่รู้เออเข้าเกลียวสองเกลียวขึ้นคานขึ้นไปเด้เลยแต่ถ้าจะขึ้นไม่ได้มันมีสมรรถนะอืมพาไปได้ถึงกี่หมายปลายทางชีวิตของเรามันก็ต้องเก่งกว่ารถดิ่นะ เ, รเราต้องเราต้นะองอาศัยรถอ่ะรถขับไม่เป็นก็ไปไม่ได้ <c oughs> นี่เราขับไปชีวิตของเราไปเอง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 อ๋อวันนี้ก็พอสมควรเจ็ดเวลาลเราก็กราบพระพร้อมกัน